สอบ ถ, ถามทางพระอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติที่เราได้ฝึกกันเรารู้สึกว่าเรายังมีความสงสัยยังไม่เข้าใจนม่เลียรหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นคําถามที่เราอยากจะสถามพระอาจารย์ก็ขอให้แต่อย่าให้เลียบมากหน้าที่นะคะจะได้ใกล้กันนะคะเราจะมีเวลา สถานก็จะถึงชั้นบนขึ้ก็ดประมาณ50นาทีนะคะแล้วเด็กๆก็จะขึ้นมาโรงกระเพาเพื่อที่จะรัพรจากพระจางนะคะค่ะถามพระจานะคะในความที่เราทูเนี่ยเราฝากทุกสิ่งที่ดีๆให้กับเขาเไม่ว่าจะคิดดีทาดีการเห้อภัยทุกอย่างบาครั้งเเราเรามองว่าในใ น, ในสังคมจริงๆเขา อ, อ, อ ก, กสิ่งภายนอกอจริงเนี่ยเขาไม่ได้เจออะไรที่สวยหรูเหมือ น, นีนสี่อเขาม แล้วเขาจะไปอยู่ได้ยังไงในสังคมที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีมันมีปัจจัยเราเลยหลายอย่างนะคะ่ะแต่นี่เมื่อเด็กเด็กฝึกฝังด้วยความที่เป็นคนดีรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้ภัยเนี่ยอยากทราบแนวทางของพระอาจารย์เพื่อที่จะได้เอามาใช้กับตัวเองก็มีรุ่มีหลังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆกับผู้ปกครองในหลายท่านนะคะค การมอบสิ่งดีๆให้กับลกูกหรือลกูกศิษย์เนี่ยสิ่งมันที่มันจะมีผลอย่างยั่งยืนก็คือการต่อยอดหรือการทำให้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันจเจริญงอกงามขึ้นเด็กเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่แก้วเปล่าไม่ใช่ถังเปล่าที่เราจะเติมอะไรลงไปก็ไ ด, เด้เด็กเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะเหมือนกับสวนที่เขามีต้นอ่อนหรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆอยู่แล้วมีทั้งเมล็ดพันธุ์ส่วนที่ดีแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะเป็นยาพิษนะมันมีอยู่แล้ว สิ่งที่เราทําก็คือว่าช่วยทําให้สิ่งที่ดีเนี่ยมันเจริญงอกงามและสิ่งที่เจริญงอกงามเนี่ยมันก็จะไปช่วยจัดการทําให้ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นพัฒพืช น, นี่ยมันมันหายไปยกตัวอย่างเช่นต้นอย่างต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกถ้าเราถ้าเราปลูกต้นไม้ใ ห, ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยหญ้าคาก็จะหายไปเราไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องไปถอน ต, ต้นไม้มันจัดการของมันเอง งันเนี่ยนำมาคิดว่าเราต้องริต้นจากการที่เราเชื่อว่าเด็กเขามีอยู่แล้วเพียงแต่เราช่วยส่งเสริมใช่ไหมบางทีเด็กเนี่ยเขามีความเมตตากรุณาโดยที่เราจะไม่ได้สอนเลยก็ได้แต่ว่าอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลใช่ไหมเอาแต่ว่าก็เจอตัวอย่างมาเยอะแล้วเด็กที่เขาอ่อมีความกรุณาต่อเพื่อน อย่างเช่นนีเด็กคนหนึ่ชื่อน้องแม็กน้องแม็กวันหนึ่งก็มาขอเงินแม่ยี่สิบาทแม่ก็ไม่ให้เพราะว่าเพิ่งให้ไปเมื่อเช้าน้องแม็กก็จะขออยู่นั่นแหละลบเลาให้ได้พอแม่ซักไปเด็กก็ตอบว่าจะเอาไปให้แกนแกนนี่เป็นเพื่อนร่วมห้องแต่เป็นลูกพันโรงและแกนเนี่ยทําเงินหาย แล้วถ้าพ่อของแกนรู้ก็จะลงโทษก็จะตีแกนแม่ก็เนี่ยสงสารก็เลยขอยืมไมยขอเงินแม่เลยแม่ก็บอกว่าอย่างนี้มันก็ไม่ดีสิเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบ ข, ของเขาเงินเขาขายก็ต้องผิดชอบแต่แม่ ก, ก็ยังยืนยันว่าถ้าพ่อของแกนรว่วแกนทำเงินหายนี่ซวยแน่เลยสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่างั้น ไม่ขอแล้วขอเอาส่วนขอเอาค่าขนมของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะไอ้สิบาทเนี่ยขอวันนี้เฉเลยพรุ่งนี้หนูไม่เอาละค่าขนมใช่ไหมแม่ก็ประทับใจมากเพราะนี่คือสิ่งที่แม่ไม่ได้สอนแม่ไม่ได้สอนเลยนะอเอาแม็แมเอาจิตใจนี้มาจากไหนใช่ไหมก็ต้องตอบว่าเขาเหงื่เขาอยู่แล้ว นะหรืออย่างเท่นธมารประทับใจเด็กคนหนึ่งชื่อน้องโจเอ้ยโยโยเป็นเด็กเจ็ดขวบวันหนึ่งป้าบอกให้น้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์จะเข้าไปในเมืองนครปฐมซ้อนไปกลางทางเกิ ด, ดรถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินน้องป้าเนี่ยแขนหักไปหนึ่งข้างส่วนน้องโยเนี่ยขาเละไปข้างหนึ่ง รีพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะรถรถเทียบานพาตลอดทางเนี่ยป้านี่ร้องโอ้ยโอยน้องโยไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตาเสร็จหมอสงสัยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบว่าไงทราฮนะกลัวป้าเสียใจครับกลัวป้าเสียใจเรื่องอะไรเสียใจที่พาน้องโยมาเจอชะตากรรมแบบนี้ น้องโยเทขาเลือดเาต้องโยร้องนี่นะป้านี่จะจะทุกข์มากกว่า น, นี้ใช่ไหม mm hmm. เด็กเอาเด็กเอาตั้มใจแบบนี้มาจากไหนคิดถึงป้ามากกว่าคิดถึงตัวเองนั้นก็เชื่อว่าเขามีเขาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่มีแบบเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแค่ต้นไม้เล็กๆหน้าที่ของพ่อแม่หรือครูคือทำให้สิ่งเหล่านี้เจริญงอกงามแล้วไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็จะคอยทาให้วัชพืชไม้พิษ มันมันงำํำไม่โตนะพวกนคือพลังฝ่ายดีเนี่ยมันก็จะมามาคุมพลังส่ายลบซึ่งมีทุกคนตราบใดที่ยังไม่เป็นภระรยาเจ้ามีทุกคนนะคราวนี้เวลาเรานี่เลือกเราเด็กเราไม่ได้เราไม่ได้ไดปลูกฟังนะแต่เราช่วยช่วยต่อ ย, ยอดนะคราวนี้เรื่องเองนี้ยก็ต้องก็จะต้อง ไม่ใช่เพียงแบบปลูกฝังความดีให้แกเขาหรือช่วยให้เขามีช่วยให้เมล็ดพันธุ์งความดีเจริญงอกงามแต่ต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเกิดปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าคือเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกให้เขาเห็นว่าโลกเนี่ยมันก็มีทั้งดีและลบใช่ไหมมันก็มีทั้งเพืงเห็นแกนตัวมันก็มีคนมันก็มีความชั่วร้ายอยู่นะ เราไม่ควรปิดบงังไม่ให้เด็กลับรู้เรื่องนี้ใช่ไหมต้องเปิดให้เด็กรู้แล้วก็รวมทั้งช่วยทำให้เขาเนี่ยมีวิจารณญาณเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่มีทางควบคุมสายตาและหูของเด็กได้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเขารู้ดีมากกว่าเราเขารู้อะไรมากกว่าเราก็ เ, าเห็นอะไรมากกว่าเรา เปิด u b e เนี่ยก็เห็นทุกอย่างแล้วลูกค้าของ YouTube เนี่ยนะสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ย <c oughs> ก็คือเด็กและวัยรุ่นเยอะนะฮะงั้นเด็กเนี่ยเขาเล่น u t u b e เนี่ยเก่งกว่าเราอีกเพราะนั้นเนี่ยเขาเห็นหมดแล้วนะเราจะคุมเขาไม่ได้ไม่มีทางคุมได้แต่ว่าเราสามารถจะให้ช่วยให้เขาเกิดมี เกณฑ์วินิจฉัยนะรู้จักกรองรู้จักรู้จักคิดนะคืออย่าไปคิดว่าเด็กไม่ควรเห็นสิ่งแย่ๆไม่ควรเห็นสิ่งเลวร้ายซึ่งหนึ่งมันเป็นแบบเป็นไปไม่ได้ในสมัยนี้สองเห็นก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายเสมอไปใช่ไหมถ้าเด็กเ้ามองเป็นเนี่ยอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะมองเป็นก็เห็นธรรม พระลระกุณตกะพัทธิยะนะไม่รู้เป็นเนยหรือเปล่านะถ้าเป็นคนตัวเล็ ก, ลกๆน่ารักคล้ายโกติอ่นะทัศนสมยเนี่ยวันหนึ่งก็มีเดินอยู่บนถนนเนี่ยก็มีนางคณิกาโซเพเนนะขึ้นรถม้ากับลูกค้าเราก็แล่นผ่านนางคณิกาเห็นพระละกุณตกะ ก็ยิ้มให้ยิ้มเห็นฟันเลยสวยเลยถ้าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยควรไหมเราจะบอกไม่ควรเพราะกระตุ้นกิเลสแตกกนะ่ท่านลูกกระติกาพุทิยาันท่านเถินะท่านจับเป็นนิมิตเลยนะผู้หญิงผ่านไปแล้วนะท่านยังเห็นรอยยิ้มเป็นนิมิตและท่านก็ใช้นิมิตเนียนะ่ยในการทําสมาธิจนเกิดฌาน แล้วจากฌานเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยพิจารณาจนเห็นไตลักษ์เป็นอนาคามีกลางถนนเลยเห็นภาพผู้หญิงยิ้มนะเพราเห็นพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลวเสมอไปถ้ามองเป็นมันก็เกิดประโยชน์ได้แล้วเราต้องต้องต้องมีความไว้เชื่อใจว่าเด็กจะเป็นลูกศิษย์หรือลูกของเราเนี่ยเขาเขามีปัญญาพอที่จะเลือกเฟ้น เพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะให้เขารับรู้ว่าจริงๆโลกมันมันมีเหตุมันมีอะไรบ้างข่าวสารบ้านเมืองต่างที่จริงเขาก็รับรู้อยู่แล้วนะถ้าเขาดูโทรทัศน์ก็จะเห็นเรื่องเล่าเชา้านี้เรื่องเล่าเช้า ว, วันนี้ของจักรยุทธมีเรื่องสารพัดเที่ยวโถดโถนให้เขารับรู้บ้างเอามาคุยกับเขาเรื่องมีข่าววันนี้มาเล่าให้เขาฟังปรึกสนทนากันเขาก็จะมีความเข้าใจโลก การที่เขาจะถูกหลอกถูกอะไรเนี่ยมันก็จะยากแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความดีที่จะที่จะกระทำต่อผู้อื่นและความดีที่เขามีเนี่ยมันสามารถจะเอาชนะคนที่เห็นกับตัวได้๋ยวไปคิดว่าคนที่กับตัวเราต้องถ้าเขาเอ า, เอาถ้าเขาเอาเปรียบเราต้องต้องเลวกลับไปไม่ใช่เขาเลวกับเราเราดีกับเขาก็ได้ นะเพื่อจะมาคนหนึ่งนะก็ไม่รู้จักดีแกแกขายของที่จัดจุกจับแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีข้อค้าคนใหม่เข้ามาเซ้งร้านที่ติดกันเลยแล้ววันแรกก็แค่สอวันแรกก็แสดงรทธิ์เลยเขาขายพวกภาพภาพาใหญ่ๆนะก็ภาพนี่นะที่มาโชว์เนี่ยตั้งโชว์เนี่ยหน้าร้านเนี่ยมาวางไว้หน้าร้านแล้วก็เหลืม้มปิดร้านของเขาเนี่ย หนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งไปเลยนะว่าแกตัวมากนะสมมติว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะชื่อเพชรแกก็ไม่พอใจนะแต่แกลู้ว่าการไปต่อแล้วต่อเถียงไม่มีประโยชน์วันรุ่งขึ้นเนี่ยแกไปข้างนอกไปทุละกลับมาแกก็ตรงมาที่ร้านร้านที่ติด ก, กันเลยนะสมมติว่าชื่อว่าแก้วแล้วก็ยิ้มภหยแล้วก็ยืด ผลไม้มีส้มและองุ่นสองกิโลแล้วก็บอกว่าผงไปข้างนอกไปเจอร้านผลไม้เห็นผลไม้น่ากินก็เลยคิดว่าคุณคงอยากกินก็เลยซื้อมาฝากไอ้นั่นงงเลยนะแก้วพูดไม่ถูกแต่แล้วก็หลุดปล่ามาเกรงใจเแกก็บอกไม่ต้องเกรงใจเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องนะพอคุยแบบนี้แล้วเนี่ยก็แบกดีไอส์นะก็เลยคุยกันสนุกสนานคุยกันสนิทสนมเลย วันรุ่งขึ้นเพชรเปิดร้านบอกว่าไอ้ภาพที่เคยมาบางังร้านแกเนี่ยหายไปแล้วก็เลยไปถามแก้ ว, ว่าเอเอเฮียไอ้รูปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นใหญ่ๆตั้งอยู่หน้าร้านมันไปไหนแล้วขายได้เหรอขายไม่ได้เราก็ไม่ได้ขายเลยนี่อยู่ข้างในร้านอ้าวทไมไว้ข้างในอะ่ะเอาไว้ตรงหน้าดีแล้วเนะอไว้ข้างหน้าบังหน้าร้านเฮียมันน่าเกลียดนะเก่งใจเฮีย เดี๋ยวลูกค้ามามองแล้วไม่เห็นนะคือนี่ไงนะเราบังคี่ว่าคนแบบนี้เนี่ยมันต้องด่าแต่บางทีเราใช้ความดีใช้น้ำใจไ ม, มตรีมันก็ช่วยไดนะ้ความดีสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาจากคนที่เหินห่างกลายเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยคนไท ย, ยพอเป็นเพื่อนแล้วเปลี่ยนใจกันใช่ไห ไม่ต้องออกป่าเลยว่าว่าอย่าเอามาวางไว้ที่นาลานนะเขาทําเขาเองนะคือคนคือถ้าเราฝึกฝนมาจนเห็นว่าเออมันมีคนแบบนี้นะคนที่เห็นแก่ตัวแต่ขณะเดียวกันก็รู้วิธีที่จะจั ด, จดการคนแบบนี้ไม่ใช่ด้วยความก้าวร้าวด้วยความโกรธแต่ด้วยความดีมีเมื่อสักเกินที่แล้วมันมีคล้ายๆเป็นเขาตั้งใจเป็นโจงนะแต่ว่ามันมันดีนะ มีวัยรุ่นคนนึงเนี่ยไปซื้อบุหรีบุหรีมันราคาเจ็ดสิบเขาให้แบ่งร้อยเจ้าของราง้านเป็นลุงก็ทอนมาสี่สิบมันเกินมาสิบบาทนะแต่เขาบอกดีเหมือนกันนะได้กำไรสิบบาทก็กำลังเดินจอดกลังจะเดินออกจากร้านไปได้สักเก้าของเก้าแล้ว ก็ดีนเสียงลุงเรียกนะบอกว่าหนุ่มพ่อหนุ่มเธอลืมบุหรี่เอาไว้เธอลืมซองบุหรี่เอาไว้รับเงินไปแต่ลืมลืมซองบุหรี่ชายหนุ่มก็นั้นบอกเออลุงนี่ดีเว้ยรับบุหรี่เส่ก็คืนเงินไปให้ลุงเมื่อกี้ทอนเกินมาสิบบาทคืนสิ บ, บาทให้ลุงก็เห็นว่าไ อ, อ้หนุ่มคนนี้ดีเลยก็ งั้ขอบุหรีคืนนะมากินบุหรี่ปลอมเอาบุหรีจริงไปเอาบุหรีใช่ไอ้หนุม่มพี่ยังประทับใจใหญ่งั้นงั้นเดี๋ยวลุงขอร้อยแบงค์ร้อยกับคืนมาหน่อยอันนั้นของปลอนะมของจริงไปไงไอ้หนุ่มนั้นรับแบงค์ร้อยมาเสร็จโอ้ยลุงที่ยังประทับใจใหญ่ก็เลยคืนคืนกระเป๋าเงินให้เราไอ้หนุ่มนะทีหลังเราระวังหน่อยนะ เรามาลองกระเป๋าหน่อยไป่หยิกบกระเป๋ามื่อไหรไม่รู้เพราะลุงประทับใจไปเลยงนะั้นอ่าแกก็เลยคืนสร้อยคอให้สร้อยมือให้บอกว่ลุงนี่ต้องละังกันนะเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ดีมันเยอะนะดีนะดีนะที่เรามาคนดีคนกับคนดีมาเจอกันคือด้วยตลกก็ไดนะ้นคือมันเรื่องของคนที่ทันกันคือแยกทั้งคู่นะ แต่นี่นคือมันสะท้อนะอะไรมั้งใช่ว่าความดีสามารถเปลี่ยนใจเขาได้เริ่มต้นจากเขาเรียกเรามาอาบุหรี่ใช่ไหเราก็เลยคืน1ิบบาทให้ความดีแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันทำให้อีฝ่าตรงนี้อยากจะทำดีมากขึ้นใช่จากเดิมที่ที่คืนบุหรี่ให้นะก็เป็นคืนกระเป๋าเงินใช่แล้วจากเดิมที่คืน10บบาทนะก็มาเอาแบงก์กินแบง์ร้อยมาให้แล้วก็เอาส้อยมาคืน ใชส้อยมือนะคือมันแสงความจริงนะมันแสงธรรมะนะว่าความดีสามารถจะชนะใจอีกฝ่ายได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าควรจะเห็นแบบนี้นะลูกศิษย์เราหรือลูกของเราว่าอดกิงอยู่โลกเนี่ยนะมันมีคนที่เห็นแต่ตัวคนที่ชั่วร้ายแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะใช้ความดีเอาชนะเขานะแล้ะก็มีตัวอย่างมากมายนะที่ ความเดียวชนะความไม่ดีได้สตีเฟนสติลเบิร์กนี่นะเ่เรารู้จักใชนะ่ไหมครับสตีเฟนสติลเบิร์กเนี่ยเป็นนักสร้างหนังแกเล่ตอนแกยี่สิบสามเนี่ยแกไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่าถูกวัยรุ่นนะแกล้งสตีเฟนก็คนตัวเล็กอายุยี่สิบสามไม่อยากไปโรงเรียนทุกมากเลย แล้วแกไม่รู้จยังไงนะกับไอ้หนุ่มคนเนี้แล้ววันหนึ่งแกก็ได้ความคิดแกก็เดินไปหาไอ้หนุ่มคนนั้นบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังสร้างหนังกาลังทาหนังสมัยนะั้นมันมีเครื่องถ่ายวีโอแล้วนะจะทําเรื่องตามหน้านาซีขาดพระเอก จ, จะมาเป็นพระเอกให้ฉนได้ไหไอ้หน้างงเลยนะไอ้ไอ้สเฟนนี่มันจะมาไม้ไหนนะสุดท้ายก็เป็นนะก็ถ่ายประมาณสามวัน สปู๊ดบอกว่าหลังจากนั้นนะไอหมอ น, นั้นเนี่ยแกเป็นเพื่อนสนิทของแกเลยเปลีป่ยนเลยนะจากคนที่คอยลังแกรังคว้าในการเป็นเพื่อนคอยปกป้องเพราะอะไรฮะเพราะหมอ น, นั่นก็คงอนะาจะรู้สึกนับถือน้ำใจก็จ ะ, จะที่คขอยจะทําตัวเกเรแบบนะั้นเพราะเขารู้สึกว่ า, าไม่มีคุณค่านะเด่นทางดีแม่ก็เด่นทางชั่วแล้วกันนะแต่พอได้มาเล่น หังเนี่ยเขาสื้เขาก็มีคุณค่านะการที่เขาสู้เขามีคุณค่าเนี่ยมันไปดึงเอาพลังฝ่ายดีของเขาขึ้นมาความที่สู้ว่าฉันมีคุณค่าจะมีประโยชน์เนี่ยนะมันทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและความภาคภูมิใจใตัวเองมก็เป็นมันก็ช่วยหล่อเลี้ยงพลังฝ่ายบวกให้เกิดขึ้นพลังฝ่ายบวกที่เกิดขึ้นก็ไปกดไปคุมพลังฝ่ายลบที่ชอบเกเียดะรนะนิสัยก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นสมาชิกว่าเนี่ย เราสอนให้เด็กเนี่ยใช้ความดีเอาชนะความชั่วเรายอมรับว่าความชั่วนี่มันมีอยู่ในโลกแต่ว่าเชื่อว่าความดีเอาชนะได้นะไม่ต้องไปลดตัวชั่วอย่างเขาถึงจะชนะเขาเพื่อนสุรนะั่นคือว่าสอนเด็กให้เป็นคนดีหรือช่วยเขาเป็นคนดีเนี่ยนะจะไปห่วงนะว่าเขาจะอยู่ไม่รอดในโลก ที่มันเชื่อมโพดนะถ้าเราสอนให้เขาเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยเป็นมีทั้งความดีและมีปัญญานะเขาจะดูได้อย่างมีความสุขแล้วเขาก็จะสามารถช่วยทําประโยชน์ให้กับโลกได้ด้วยเรื่องการเอาตัวรอดนี่ไม่ยากนะเอาตัวเล็กเอาตัวรอดแบบไหนก็ได้แต่ว่าทำงานถึงจะให้อยู่แบบมีคุณค่ามีความหมาย แล้วก็ปลอดภัยอัตมาเชื่อความดีแล้วก็สติปัญญาเนี่ยช่วยได้มากอย่างเวลาอาจารย์พูดถึงปัญญาเวลาเราอยู่ใโลกเนี่ยปัญญาก็คิดว่าเด็กก็มีคิที่ดีต้องเรียนเก่งูนี่นั่นแ่ทตรงั้มัหมายคหรือ ไอคิว <IQ S 2> <IQ, S 1> ใช่ไหมโลกเราก็ชื่ว่าคำว่ามีปัญญาคือต้องเรียนเก่งเก่งวิชาการสอบโอลิมปิกมือหนี้ได้ดซึ่งมันยังไม่ใช่ปัญญาในที่นี้เนี่ยหมายถึงปัญญาเกี่ยวกับเกี่ยวกับความจริงนะคือความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิตและโลกเช่นเห็นว่า ลาบยศสุขสารเสริจนี่เป็นของไม่เที่ยงมีก็อย่าดีใจมากเพราะว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือเห็นว่าความสุขเนี่ยเกิดจากการให้ไม่ใช่เกิดจากการสลดอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็น เป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีวิตเลยนะความสุดเกิดจากการให้ไม่ใช่เกิดจากการเอาและเกิดจากการมีนะปัญญาแบบนี้เนี่ยที่มันช่วยแก้ทุกข์ได้ให่เวลาเราพูดถึงปัญญานะเท ต, ตมาพูดถึงปัญญาเนี่ยความหมายคือปัญญาในทางธรรมหรือพูดให้มันให้มันเป็นรูปธรรมนะั่นคือปัญญาที่ช่วยแก้ทุกข์ได้แก้ทุกข์ในทางใจให้ปัญญา ไอคิวที่ที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกมีเนี่ยมันเป็นปัญญาในการทำมาหากินนะในการสอบโทฟเฟนในการสอบวิชาต่างๆในทางโลกนะแต่มันแก้ทุกไม่ได้นะแล้วถ้าเราสอนให้ลูกเนี่ยมีแต่ปัญญาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหากับลูกก็ได้ เพอเรารู้จักหมอวิสุทธิ์บึงเกษมสังติใช่ไหมเป็นใครทหางศพทารศพอ่างั้นไม่ตองอธิบายมาก <c oughs> แกโดนแกเป็นหมอที่มีชื่อแกเป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็เป็นบมออันดับต้นการทํากิฟอันดับต้นของเอเชียพูดถึงความรวยพูดถึงตําแหน่งพูดถึงชื่อเสียงพูดถึงความรู้แกมีมากแต่สุดท้ายแกก็โดนประหารชีวิต แต่ว่ากก็โดนรถท่วนมาเลือดจนกรทั่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วมีคนไปสัมภาษณ์แกเมื่อปีที่แล้วจะบอกว่าเสียดายชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไปทุ่มเทกับเรื่องงานการไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตในหัวเนี่ยตะกอนเนี่ยมีแต่เรื่องงานวิชาการมีแต่เรื่องการทำงานมีแต่เรื่องอการทาวิจัย ไม่มีเวลาให้กับการตั้งสติการการฝึกฝึกจิตเลยตอนนี้รู้แล้วว่าเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญกว่าอย่างอื่นถ้าย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้เนี่ยผมก็จะมาทำเรื่องนี้แหละเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องมารอให้ทำตอนแก่นี่ดีนะที่แกมีสิทธิ์แก่นะเพราะว่าตามตามตา ม, ตามกฎหมายเนี่ย แกคงต้องไปแล้วล่ะไม่มีสิทธิ์แกนะแต่นี่เป็นเป็นคดเป็นความเป็นเป็นธรรสารภาพของคนซึ่งเป็นด็อกเตอร์คนซึ่งเป็นหมอเป็นมีความรู้ความสามารถและพบ ว, ว่าชื่อของเตือนที่พามามันพลาดพลาดตรงไหนก็ลืมเรื่องการฝึกจิตฝึกสติพวก็คือเรียนแต่เรื่องวิชาทางโลกแต่วิชาชีวิตไม่ได้เรียนเลยแลวพอเกิดวิกฤตขึ้นมาในชีวิตก็ตัดสินใจถึงพลาดไปฆ่าเขา ครับพอเกิดวิกฤตขึ้นมาขาดสตินะอันนี้เป็นอุทาหอนของคนที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นครูนะว่าอสอนให้เด็กเก่งแบบมี IQ ดีเนี่ยมันไม่พอเราต้องสอนให้เขามี EQ แล้วก็ปัญญาปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมเนี่ยมายถึงความสามยเป็นมันจะช่วยทำให้แก้ทุกข์ได้ แก่ทุกในความหมายที่เป็นการปล่อยวางก็ได้ความดีธรร ม, มะเนี่ยนะสรุปง่ายๆว่ามนะีสองก็คือความดีความจริงคนมักคิดว่าธ ร, ธรรมมะเป็นเรื่องความดีเฉยแต่จริงธรร ม, มะเนี่ยอีกส่วนคือความจริงความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำส่วนความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจสอนเด็กให้เป็นคนดีไม่พอนะต้องให้เด็กเนี่ย เห็นความจริงเพราะถ้าทำดีแต่ไม่มีปัญญานะบางทีทุกข์นะหลายคนมาบ่นว่าทำไมทำดีแล้วไม่มีคนเห็นทำไมทำดีก็ยังมีคนดินทาบางคน mm hmm. โอดึง เ, เป็นมะเร็งทำไมฉันทำบุญให้ทานทำไมฉันต้องมาเป็นมะเร็งทำไมต้องเป็นกับฉันบางคนถึงกับ โกรธไม่เข้าวัดไม่ทำบุญกูทำบำมาทั้งชีวิตต้องทำไมต้องมาเจอแบบนี้เมื่อประมาณสักสี่สิบปียมันมีไฟไหม้ใหญ่ที่สุรินนะโอ้ยสูญเสียเสียหายกัไปหลายพันหลายร้อนครอบครัวก็หลายพันคนก็มีญาติโยมหลายคนเนี่ยมาตัดคอกับหลวงปูดดป่ดูลหลวงปู่ดูเดนี่ยท่านอยู่วัดบุรพารามสุริน ลูกสิษย์กับปู่มัน่นมาตัดเพาะโดยตรบงบางทางอ้อมในลักษณะที่ว่าปู่ย่าตายายก็ทำบุญพ่อแม่ก็ใส่บาตรไม่ขาดตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นใส่บาตรทอดกระถินทอดผระป่าก็ไม่เคยขาดเลยทำไมบุญไม่รักษาทำไมทำไมไม่คุ้มครองไฟไหม้ต่อไปไม่เข้าวัดละไม่ทำบุญละ ให้ทำดีมากๆนี่บางทีมันสวินนะเวลาเจอเจอเรื่องแบบนี้มาสวินครูไม่ทำบุญแล้วห mm hmm. ลวงปู่บุนก็บอกว่าไฟมันทำหน้าที่ของมันแล้วท่านก็อธิบายว่าความวิบายความอันตรธ า, านความพลาดพลาดความสูญเสียเป็นธรรมดาโลกไม่มีใครหนีพ้นหน้าที่ของธรรมะหน้าหน้าที่ของผู้ไฟทมผู้รู้ธรรมก็คือว่า เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรจะไม่ทุกข์นะนี่ต่างหงาที่เป็นหน้าที่ของธรรมะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ธรรมะไม่ได้ไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้หิวได้สามารถธรรมะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดไม่ให้พักผ้าสูญเสียได้เพราะมันเป็นธรรมดาโลกเดี๋ยวไปคิดว่าทําความดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิพดพระจ้าก็ ใช่ไหมก็แกผู้เจ้ามีคนใส่ร้ายว่าไปฆ่าคนผู้เจ้ายั้มีคนลอบฆ่ามีหลายครั้งนะพระองทําอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีคนลอบฆ่ามีคนใส่ร้ายว่าทำเขาท้องไปฆ่าคนถ้าเราไม่เจอแบบนี้แสดงว่าเราโชคดีนะขนาดเรายังมีกิเลสหนาแต่ผู้เจ้าไม่มีกิเลสเลยก็ยังเจอเพราะอะไรมันเป็นธรรมดาโลกปัญญาเนี่ย คือการเห็นความจริงแบบนี้แหละว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อเป็นธรรมดาแล้วเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์เพราะทำใจได้ปล่อยวางได้นะเนี่ยตวัวงมาคิดว่าจะต้องมีปัญญาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อสัตว์ไม่ใช่เพื่อประดับจิตนะแต่เพื่อรักษาใจเลยไม่ให้ทุกข์ถึงเวาจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็ ก็ไม่ตีโปรตีพายพ่อรู้ว่ามันเป็นธรรมดาก็ยังสามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้ความดียังทําไปนะแต่ใจไม่ทุกข์แม้ว่าจะประสบความผันผวนเราคิดว่ า, วานี่แหละคือคือปัญญาที่ไม่ใช่ลูกหรือลูกศิษย์ต้องมีนะเราก็ต้องมีด้วยเพราะลูกเราหรือคนรักของเราหรือตัวเรา จะคำควรยังไงเราก็ไม่รู้ในวันข้างหน้าแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะนี่แหละถึงเรียกว่ามันเป็นปัญญาแก้ทุกข์ไงไอคนที่มีคนที่มีความรู้เป็นด็อกเตอร์ต่างๆค่าตัวตายมันก็เยอะอัตมาเพิ่งอ่านบทความที่เกี่ยวกับการแพทย์ในอเมริกานะพบว่าอินเทอร์ในอเมริกาเนี่ยอินเทอร์เนี่ยคือว่า พวกที่เรียนจบแล้วก็ไปฝึกงานอินเทอร์แลฝึกงานเนี่ยค่าตัวตายปีละสี่ร้อยคนสี่ร้อยคนเนี่ยนะก็คือชั้นเรียนประมาณสองสามชั้นในปีหนึ่งปีนึ่งเลยนะค่าตัวตา ย, ยพอ้คนที่เป็นครีมของของประเทศนะเป็นเป็นสมองนะความรู้เยอะนะตั้งเจอแรงกดดันไม่ไหวทำงานหนักพักน้อยแล้วก็ถูกข่ม หมอเนี่ยแหละอิ น, นเทอร์ด้วยเรซิเดนต์ด้วยเรซิเดนต์เนี่ยคือแพทย์ประจำบ้านที่ไปเรียนไปเรียนแล้วก็ต้องรองที่เรียนก็ต้องฝึกจับของจริงอินเทอร์นี่ยังยังไม่เป็นแพทย์ยังเป็นแพทย์แบบยังไม่เป็นแพทย์แต่เรีย น, นยัเป็นแพทย์แล้วไปทำงานแต่เรซิเดนต์เนี่ยคือเป็นแพทย์แล้วก็ไปเรียนชชิเฉพาะทางก็ต้องไปเป็นไปเป็นเบี้ยล่างให้หมอค่าตัวตายเฉยเลยเยอะมากเลยนะ ประมาณ 46% ของอินเทอร์เนี่ยนะในอเมริกานะเป็นโรคซึงเศร้า 46% นะไม่ปีใดก็ปีหนึ่งหมายก็ว่าอินเทอร์อยู่ประมาณ3ปีหรือ2ปีเนี่ย 46% เนี่ยเคยเป็นหรือกำลังเป็นอยู่เอ้ยพวกนี้มันพวกนี้เขามีสติปัญญานะเอ้พวกนี้เขามีเขามีมีความรู้ทางโลจิ AIQ ก็สูงนะ แต่ EQ คิไม่มีหรือว่าความปัญญาในทางธรรมไม่มีเพราะเนี่ยสอนรู้ให้เลยนเก่งนะแต่ถ้าไม่ติดไม่ติดวิชาชีวิตนะเสี่ยงนะเพราะว่าอาจจะทำอะไรผิดพลาดก็ได้อย่างที่ตมาบอกเด็กเนี่ยได้สามจุดแปดก็ยังโกงนะรวมหัวกันโกง เพียงเพื่อจะได้สี่นะอันนี้คือทุจริตแต่ว่าสามารถจะทำอะไรที่แย่ไปกว่า น, นั้นเช่นฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสอนลูกหรือลกูกศิษย์เนี่ยนะก็อย่าสอนแต่เพียงให้มีความรู้หรือมีความรู้หรือมีคุณธรรมเท่านั้นนะต้องมีปัญญาด้วยนะ ความรู้คุณธรรมยังไม่พอฉันต้องมีปัญญาในทางธรรมนี่ก็มาประกอบคุณธรรมหมายถึงความดีส่วนใหญ่เราต้องจะหมายถึงความดีเช่นเป็นคนที่มีสินไม่ไม่โกหกเป็นคนที่มีน้ําใจนะเร า, าต้องมีต้องมีคุณธรรมคู่กับความรู้ความรู้ในท่นี้คความรู้ทางโลกจแต่ตมาว่าไม่พอต้องมีปัญญาเป็นตัวที่สามเข้ามา เสริมส่งอะไรเนี้ค่ะถ้าถ้าเราจะไม่เอาความอยากตัณหาพิโรนี่ยเราจะใช้วิธีการางที่จะจูงใจงให้เด็กมีพลังฝ่ายดีที่นมากนคะคะมันมีแรงจูงใจงอยู่สองตัวใหญ่ๆนะตัวแรกนีะคือตัณหาตัณหาจริงๆมัน ม, มันไม่มีตัวตายเนียยมันมีความกลัวเลยนะอยากเรียนขยันเรียนเพราะกลัวก็มีนะอัตมานุษขยันเรียนเพราะกลัวกลัวถูกครูลงโทษกลัวแม่กลัวพ่อแม่ว่า ไม่มีไม่มีเครื่องล่อเลยเพราะว่าสมัยก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยอะไรนะไม่มีโทรศัพท์มือถือมาล่อให้เราขยันเรียนมีแต่ไม้เรียวอ่ะที่ทําให้เราต้องขยันเรียนใช่ไหม <c oughs> อีกตัวหนึ่งเนี่ยสําคัญซึ่งทางุูกศาสนาสับสนก็คือจังทะจังทะจังท็คือความชอบ <c oughs> เด็กเรียนเนี่ยเด็กเรียนเพ่ได้คะแนนดีก็มีแต่เด็กเรียนเพราะว่าชอบวิชาที่เรียน ใช่ไหมคุณเคยดูรายการแฟนบอลแท้ไหมโอ้เขารู้เยอะนะรู้ลึกนะักสามก๊กทศกัณฐ์ามเกียรติ์แมนยูบิเทอร์ถามว่าเขาเขาเรียนต ะ, ตะบะีตะบัดเพราะอ่านตะบีตะบัเนี่ยเขาได้อะไรไหมเขาไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่เขาชอบไงเขามีความสุขไงบางเออมันมีรายการแฟนบอลแท้ก็เลยเอาความเอาความสามารถนี้ม า, มาใช้ รางวัลเงินอันนี้เป็นผลเปผลพลอยได้แต่จึงไม่มีรายการแฟนบันแทกเขาก็อ่านค้นคว้าอยู่แล้วไม่มีใครให้รางวัลเขาแล้วไม่มีใครบังคับพ่อให้ต้องอ่านต้องเรียนต้องศึกษาเขาทำเองเพราะอะไรเขาสนุกเขามีความสุขอันนั้นแหละคือฉันทะแต่ไหมนี่เราต้องเราเราต้องพยายามช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดฉันทะในการเรียนอาตมาเมื่อเช้าก็ถามเด็กว่าเรียนไปทําไม นะคือถ้าเด็กนี่รู้คําตอบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก็คิดแต่ว่าเออเรียนเพื่อจะเอาคะแนนแต่ตอนหลังเนี่ยมันได้ความคิดใหม่ว่าเราเรียนเพื่อเอาความรู้นี่แล้วความรู้มันมีประโยชน์อาตมาก็เลยเกิดความอยากจะเรียนไม่ได้เรียนเพราะว่าความจําใจแต่เรียนเพราะว่าชอบมีความสุขและคะแนนไม่มีความหมายมีความหมายน้อยลงนะเพราะว่า ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนฉันก็ได้ความรู้แล้วอ่านตรงนี้ก็ได้ความรู้ตรงนี้ส่วนคะแนนนี่ไปรอเอาตอนวันสอบใช่แล้วคะแนนก็ขึ้นลงได้มีเด็กคนหนึ่งนะชื่อชื่อยุ้ ย, ยเนี่ยอาตมาไปรู้จักกับเด็กคนนี้เนี่ยเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นมะเร็งที่กระดูกนะแล้วเธอก็หมอคนก็คิดว่าแกคงจะใกล้ตายก็เลยถามว่า ความฝันที่อยากจะทําเนี่ยคืออะไรจะ ต, ตอบแปลงแล้วผมจะมาเจอเข้าไปสามเมื่อหกปีที่แล้วเขาก็เลยพามาจากกาลศินมหาตมาที่วัดแกก็เลยกระโเผกมาแล้วหลังนั้นก็เลยรู้จักกันเรื่อยมาก็ติดต่อกันทางอีเมลอะไรบ้างทุกวันนี้ก็ติดต่อกันอยู่เธอเล่า ว, ว่าเนี่ยมีครานึงมีสอบวิชาภาษาจีนบ้างและวิชานี้เนี่ยนักเรียนในห้องเนี่ยทุจริตกันเยอะครูก็คาทโทษว่าถ้าใครทุจริตไม่แต่คนเดียวทั้งห้องเนี่ย ถูกหักคะแนนยี่สิบขนาดนี้แนละ้วก็มีเด็กทุกจริตนะครูก็เลยทาําตามที่สัญญาคือผักทุกคนยี่สิบคะแนนนักเรียนในห้องเนี่ยโดพนักเรียนเด็กเรียนเก่งก็บอกว่าไอ้เด็กที่ทุจริตนะว่าเป็นตัวการทําให้คะแนนชั้นหายไอ้เด็กคนนี้ก็ไปขอโทษใครจะใครทั้งชั้นเลยนะแล้วก็มาขอโทษ ด, ด้วยซึ่งเป็นเด็กเรียนดีด้วยบอกเขาไม่ได้กโกรธเลยนะ ฉันไม่ได้โกรธเธอเลยเพราะที่ฉันเรียนเนี่ยนะเพราะเอาความรู้เ ธ, เธอบอกผู้ที่เธอพูดยดีว่าครูเนี่ยตัดได้แต่คะแนนแต่ครูเอาความรู้ฉันไปไม่ได้นันฉันฉันไม่โกรธเลยเอ็ น, นอยุ้ยเป็นตัวอย่างของเด็กที่เรียกว่ามีฉันท่าในการเรียนคือเรียนไม่ได้เพื่อเอาคะแนนแต่เอาความรู้ใ น, นถ้าเด็กเนี่ยมี ม, มีมีจุดมุ่งหมายแบบนี้นะนะ แม้จะเป็นจุดมหมายแบบเบสิกสักหน่อยนะเรียนเพื่ อ, อาความรู้เนี่ยแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขามองอะไรที่กว้างกว่าไกลกว่าวิชาไกลกว่าไกลไกลกว่าคะแนานหรือของร่อเนี่ยเขาจะมีช่ำช้านในการเรียนแล้วถึงเวลาเขาทางานก็จะมีชันท้านในการทํางานที่ทํางานจะมีความสุขอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะพวกเราหลายคนเป็นครูนะก็ต้องถามตัวเองว่าเรา เราเป็นครูนี่เรามีความสุขไหมนะอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราเป็นครูฉันท้าหรือตันหาก็ไม่ผิดนะที่บางคนเนี่ยมาเป็นครูเพราะเงินเดือนแต่ว่าถ้าเป็นครูเพราะเงินเดือนเนี่ยมันก็จะทุกข์นะวันทั้งวันวันหนึ่งก็รอว่าเมื่อไหร่ถึงวันที่สามสิบวันเงินเดือนออกระหว่างที่ทํางานก็ทํางานด้วยความทุกข์เพราะไม่อยากทําแต่ที่ต้องทําเพราะว่าเงินเดือน แต่ถ้ามีสันท้านะโอ้มันสูบทุกวันเงินเดินออกไม่เงินเดินออกมีตัวอย่างที่ตมาชอบเอามาเล่านะเพราะมันเห็นภาพชัดดีคนสามคนเนี่ยทำงานใกล้ๆกันเป็นช่างก่ออีกคนแรกเนี่ยก่อไปสักพักเดี๋ยวก็ออกไปสูบบุหรี่สูบบุหรี่แบบช้าๆแล้วก็ค่อยเดินย่างมาทำงานต่อ อีกคนหนึ่งทํากระชับกระเฉงหน่แต่ทําไปอยู่นาฬิกาไปเพราะตอนนั้นมันสี่มงเย็นแล้วใกล้เวลาเลิกงานแล้ว <S <s <hr ie> คนที่สามนี่ทำกระชับกระเฉงะเงือนี่เต็มหลังเลยนะแต่ทําให้หยุดถามคนแรกว่าทําอะไรคุณทําอะไรก็บอกผมกําลังก่ออิฐถามคนที่สองผมกําลังก่อกําแพงถามคนที่สามผมกําลังสร้างวัดครับในสามคนนี้เราเชื่อใครมีความสุข มากที่สุดคนที่สามนอกจากคนที่สามทำงานเหนื่อยคนหนึ่งค น, นที่สามทำงานหนักคนหนึ่งแต่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มองว่างานที่เขาทาเป็นการก่ออีกต่อกวาแพงแต่เป็นการสร้างวัดซึ่งมันทําให้มันเป็นเรื่องบุญกุศลคนแรกคนที่สองมาทำเพราะอะไรเพราะข้าเจ้าเพราะนั้นก็รอว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานสักทีและเขามองไม่เห็นมากไปกว่า ก่อิกการแพงแต่คนที่สามเนี่ยโอเคได้ค่าจ้างแต่นั่นไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยมาริททำให้เขาก็ตื่นรืล่นเนี่ยกระชับะชิงเพราะว่าเขารูกศิษย์เขากําลังทําบุญการที่เขาเห็นคุณค่าของงานเรียกว่ามีวิสัยทัศน์แบบเนี่ยเขาให้เขาในมีฉันทะคนที่หน่งคนที่สองเนี่ยมีแต่ตำหนิคือทําเพื่อเงินเดือนทำเพื่อค่าจ้างแต่คนที่สามเนี่ยทําเพื่อเอาบุญ นะทำเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาสงเพื่อต่ อ, อยุพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเร า, ถ, าถ้าครูเนี่ยนะเวลาทำงานเนี่ยเราคิดว่าเออเราไม่ได้แค่ทำงานหาเหงินเลี้ยงชีพนะแต่เรากำลังสร้างวยวุชนให้เป็นคนเป็นกำลังของชาติให้เป็นคนที่มีความสุขนะถ้าคุณมองให้ไกลไปเนี่ย โอกาสที่จะเกิดฉันทาก็มีเพราะคุณเห็นคุณค่าของงานที่มันเลยพ้นจากประโยชน์ของตัวเองมันเป็นเรื่องของประเทศชาติอัตมาเนี่ยตรงนี้เป็นฉันทาแบบหนึ่งนะแล้วตลถ้าั้นเร า, เ, ราเวลาเราอยากจะให้ใครทํางานเนี่ยอยากมีความสุขแล้วก็สําเร็จด้วยเนี่ยให้เติมชันทาเข้าไปฉันทาทําให้ ทำงานได้ท่านเจ้ า, จาคุณพรนิพพกระพุทานาพว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะได้ผลด้วยเป็นสุขด้วยเรียนก็เรียนได้ดีแล้วก็มีความสุขด้วยมานะนะเชิญคาถามต่อไป อ่าเป็นยังไงเรียนหาว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเ c e b o o กก็แพร่หลายไปเยอะนะแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่มีความทุกข์กับเ c e b o o k หรือว่าทุกมากกว่าเดิมทุกกว่าตอนที่ไม่มีเฟซบุ o o นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ย เดินที่เปิด Facebook ทีไร like ก็มีแต่คำต่อว่าดาทอมีแต่เรื่องที่ทำให้ขุนมัวใช่เรื่องการเมืองใช่ไหมโอเปิดมีแต่เรื่องทั้งนี้นะเยอะแยะเลยหรือสองเนี่ยทุกเพราะว่าเห็นคนอื่นเ็ามีความสุขกว่าเราใช่เพราะเพราะใน a ฟ e b o o k ทุกคนเนี่ยนะไปเที่ยวกินอาหารไปพักตาคอากก็ถ่ายมาใช่ไหมใช่ไ ถ่ายหน้าตาตัวเองว่ากำลังมีความสุขนะแล้วเราดูนี่โอ้โหเขามีความสุขกับเราทั้งทั้งที่ไอ้หน้าที่ถ่ายนะถ่ายเป็นวันนะเลือกเอามาจากหนึ่งในพันเนี่ยนะให้มันดีที่สุดนะบางทีเข า, ามีคนมีคนเซลฟี่เนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแล้วเลือกเอารูปที่มันดีที่สุดเนี่ยไอค้คนคนอื่นเห็นก็ไม่ได้คิดนะว่าเบื้องหลังเนี่ยการถ่ายทําคืออะไรโอเคว่าเขามีความสุขมากอิจฉา อิจฉว่าเขามีความสุขตัวเราเขาจะไปเที่ยวเขาด้กินอาหารอร่อยนะอันนี้จริงๆแลเป็นผลการวิจัยนะที่มันทำที่มันบอกว่าคนเนี่ยมีความเครียดมีความทุกข์พรอิจฉาที่คนหนึ่งก็มีความสุขจากการที่ได้เห็นในเฟซบุ๊กใช่ไหมในข้อที่สองข้อใหญ่ๆนะแล้วข้อที่สามคือว่าคนเนี่ยไปเสียเวลากับเฟซบุ๊กมากขึ้นนะแล้วก็ เอาตัวเนี่ยไปผูกติดกับความเห็นของคนที่เขียนคอมเมนต์ <c oughs> เด็กหลายคนเนี่ยฆ่าตัวตายนะเพราะว่าถูกด่าทางเฟซบุ o กในในยุโรปเนี่ยหลายประเทศเขาห้ามนะเด็กอายสิบสามห้ามเป็นห้ามใช้เฟซบุ๊กนะเพราะว่า <c oughs> facebook เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการทําร้ายจิตใจเด็กหรือเพื่อนโดยไม่รู้ตัว เช่นใครที่เรียนเก่งเพื่อนก็รวมหัวบอยคอรสมัยก่อนถ้าเป็นนักเรียนใช่ไหมสมัยที่มี Facebook ช่ไก็คือไม่คุยใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันลุมด่าใน Facebook หรือว่าอันเฟรนโอโ้โหสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะอันเฟรนใครที่มันยากมันต้องมันจะไปมันจะไปพูดเขาว่าต่อไนี้ฉันไม่คบเธอแล้วนะเราก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันอันเฟรนง่ายก็แค่กดใช่ไ แล้วเด็กเนี่ยนะแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเขาเขาต้องเขาแคร์สายตาของเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนทั้งชั้นเนี่ยอันเฟรนหมดเนี่ยอยู่ไปทำไมใช่ใชั้นไม่มีคุณค่าอะนะนะอันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าการใช้ Facebook ในการล่อลวงเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ด้วยใช่หม ตอนนี้มันมีการใช้เฟในการที่ร่อรวมหลายอย่างหลายรูปแบบมากแล้วรประการต่อมาคือคนเสียเวลากับ facebook มากขึ้นนี่ข้อมูลล่าสุดนะของมึงไทยว่ามึงไทยนะบอกว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะอัตมาไม่ก็จะไม่ไม่ทราบว่าเป็นภาพเฉลี่ยทั้งประเทศหรือว่าเฉพาะในเมืองนะบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาอยู่หน้าจอเนี่ยประมาณ เแปดชั่วโมงต่อวันนี่คือค่าเฉลี่ยนะซึ่งรวมถึงเฉลี่ยจากอาซิบมาม้าซึ่งวันเนี้อาจจะไม่ได้ใช้ facebook เ, เลยนะนะแต่นี่ค่าเฉลี่ยก็แปลว่ามันมีคนจํานวนก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะที่ใช้เวลามากกว่า น, นั้นใช่ไหมแล้วเอาเวลาที่ไหนมาเลยหนังสือเอาเวลาที่ไหนนอนเอาเวลาที่ไหนคุยกับพ่อแม่หน้าจอนี่คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรทัศน์ซึ่งนี้น้อยลงแล้วแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์ เ, เขาบอกว่าไม่ใช่หน้าจะบอกออนไลน์ออนไลน์ใช้เวลาออนไลน์เนี่ยเจดแปดชั่วโมงอ่ะโดยเฉลี่ยนะเอาเวลาที่ไหนทํางานแสดงว่าทําไปด้วยออนไลน์ไปด้วยแล้งงานนีงจะได้ผลเหรอใช่ไหมทำงานไปด้วยไลน์ไปด้วยเฟซบุ๊กไปด้วยเนี่ยนะจะมีสมาธิเหรอ คือเฟซ o o k กม็มีมีประโยชน์นีนิสสงเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนตกเป็นทาสของมันทางออกก็คือว่าวิธีง่ายคือว่าหนึ่งจำกัดเวลาใช้นะวันนึงเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงพอแล้วก็อย่าออนไลน์ตลอดเวลานะ จะใช้ค่อยออนไลน์เลยเพราะออไลน์เนี่ยนะถ้าออนไลน์ตลอดเวลาคุณไม่มีสมาธนะิมันปิ้งปิ้ง ป, งปิงตลอดเวลาเลยนะธรรมะอย่างนี้ออนไลน์แค่วันละสามครั้งนะพอใช้เสร็จก็ปิดไม่ออนไลน์นะสามครั้งก็ไม่นานนะประมาณรวมทั้งหมดก็ประมาณชั่วโมงนึงมั้งนะการทีนะ่กิงโคตรตามก็ได้ครับนั่นะคือธรรมาใช้เนี่ย มีสิทธิ์ใช้ได้วันละสามสเมตรเอวันละสามสิบเมตรค่นั้นแนหะก็เดือนละประมาณหนึ่งกิหนึ่งกิ๊ก็คือวันสมสิบสามสิบสามเมตมันใช้ไม่มากแล้วสามสามเมตรเนี่ยมันมาค้ำในตัวนะว่าต้องใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็เวลาก็จะน้อยลงคือต้องมีแบบนี้นะกับลูกเรากับตัวเราเองด้วยไม่งั้นนะชีิตเราเนี่ยที่มีเวลาที่มีค่าเราเนี่ยมันจะหมดไปกับเรื่องพวกนี้ แล้วไม่ใช่หมดไปแล้วมันได้อะไรที่ดีๆกลับมาแล้วมันได้ความเครียดความกังวลความวิตกนะใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์กันอย่าให้มันใช้เราให้เราใช้มันแทนอันนี้ง่ายๆนะเฟซ o ุ๊กอ่ะมันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่า 80% คนที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ย ตื่นข no ึ nice. ้นมาเนี่ยภายใน15นาทีจะต้องคว้าโองสั่มาถือมามาเช็ค 80% เขไม่รู้วเราเป็นเท่าไหร่15นาทีมาตื่นขึ้นมาเนี่ย15นาี15นาี5นาที15นาที15นาที15นาทีนาที1นาทีนาที5นายี15นาทีนาที15นาที15นอทนี5นานาทีาที1นานานาทีนาที15นาทาน สิบห้านาทีเนี่ยคุณใช้เวลาในการสร้างความรู้สึกตัวสร้างความสดชื่นแจ่มใสด้วยการอาบน้ำล้างหน้าถูฟันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์นะหรือว่าได้เจอสิ่งดีๆเช่กนกอดลูกนะเห็นรอยยิ้มของลูกนะและที่แลหลังจากนั้นค่อยมา ก็มาเปิดนะไม่ใช่เปิดขึ้นมา โ, โหแทนที่จะมีความสดชื่นนะมีแต่ความขุ่นมัวลายบ้างเอนมาว่ามอเจ้านายมาโทวงงานบางไน่ทำไมเราไม่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่สดใส น, นะนะต้องมาใส่วินัยมากทีเดียวนะฮะเรื่องการรู้จักคอยสำคัญนะต่อมาก็เขาที่แล้วก็พูดย้ำนะว่า การรู้จักคอยเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในชีวิตและความสุขด้วยมันมีการทดลองที่สาคัญครั้งหนึ่งนะซึ่งแต่ตอนที่เริ่มทำได้ที่ว่าสาคัญนะเมื่อประมาณสัก0จ็ดิบาปีที่แล้วประมาณทศวรรษพันเกาดที่หมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดการทดลองเพื่อ น, นั้นตอนภายหลังได้ชื่อว่าเขามีชื่อเลยเฉพาะเรียกว่า Marshmallow Stanford e กซ์เพอ นัชมาโลเป็นขนมการทดสอบนี้ง่ายนะเอาเด็กอายุสี่ถึงหกขวบประมาณสิบห้ายี่สิบคนเนี่ยเข้ามาในห้องแล้วบนโต๊ะก็มีขนมนัชมาโลผู้ใหญ่ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยหยิบได้คนละชิ้นแต่ถ้าต้องการสองชิ้นต้องรอสิบห้านาทีแล้วผู้ใหญ่ก็ออกไปจากห้องเด็กทุกคนรู้นะว่าสองชิ้นดีกว่าหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับ 1นในสามกินทันทีทนไม่ไหวอีกหนึ่งในสามอีกสองในสามพยายามจะทนแต่ว่าครึ่งหนึ่งแพ้ส่วนหลือคือหนึ่งในสามที่รอถึงสิบห้านาทีแล้วก็ได้กินสองชิ้นเขาก็แอบดูนะว่าไอ้คนหนึ่งในสามเนี่ยทำอะไรบ้างที่ทนได้ก็มีวิธีการหลายอย่างในการที่จะเช่นไม่ยอมมองไปที่ขนม มองไว้ที่เพดานมองไ้ที่พื้นใช่ไหมคือแค่เข า, า่าไม่จดจ่อแล้วจดจ่อเสร็จแล้วก็ทำมีหลายครั้งตัวเลขคล้ายๆกันคือหนึ่งในสามเนี่ยเท่านั้นที่ทนได้แค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วแต่เขาบอกว่ามันมีการตามผลผ่านไปยี่สิบปีตามผลนะว่าเด็กที่ผ่านการทดลองเนี่ย ที่เป็นอย่างไรน่าแปลกว่าเด็กที่ทนไม่ไหวกินทันทีเนี่ยเรียนก็เรียนไม่ดีมัธยมนะสอบข้าหมหาวิทยลัยก็น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทนได้สุขภาพอ้วนนะเพราะกินนมกินอาหารจัมฟูดเยอะพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์พอเป็นวัยรุ่นก็สูบยา สุโขทัยนะเมาเรียนจบเรียนไม่จบก็มากงานก็ไม่ดีเท่าไหร่การพิเศษที่คอยได้เนี่ยนะการเรียนก็ดีสุขภาพก็ดีนะผลการเรียนระดับมัธยมปลายก็ดีส่วนใหญ่ก็เรียนจบกันทุกคนแล้วก็เมื่อไปทำงานก็ได้ทำงานที่ดีก็ก็พยายามหาตัวแปรอะไรที่ทำให้เกิดความแตกต่างแบบนี้ พยายาตัด ต, ตัวแปรตัวอื่นไปเช่นเรื่องฐานะอาชีพเรื่องเรื่องเพศวัยผู้หญิงผู้ชายนะเรื่องเรื่องชาติพันธุ์ดําขาวสุดท้ายเหลือตัวเดียวนะคือว่าความอดทนความไม่จับคอยนะมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นการทดลองที่มีชื่อนะแล้วก็คนคนที่ทาการทดลองนะี่เมื่อปีที่แล้วเขียนหนังสือมาเล่ม น, นึงชื่อมาร์ชมันโลเนี่ยปวดเจ็ Project. เขาเชี่ยนความสมางการที่รู้จักรอคอยได้แล้วลูกเราเนี่ยจะมีอนาคตดีหรือไม่ดีนะมันตัวชี้วัด ต, ตัวหนึ่งนะคอยได้หรือเปล่าอยากได้อะไรเนี่ยทนไหวไหมอยากได้ iPhone อ, อยากได้แท็บเล็ตโอ้ยต้องเื่อยทำได้ทันทีถ้าไม่ได้ทบกระทืบเท้าอะไรต่างนี่นะอันนี้แสดงว่าอนาคตของลูกนี้ไม่ค่อยดีแล้วแหละแต่ถ้าลูกอดทนรอคอยได้อาทิตย์หน้านะเดือนหน้านะ เอออันเนี้ยเด็กเนี่ยมีวอกหลังผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะับผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่ที่ชีวิตไม่เจริญการทางานไม่สำเร็จก็เพราะเนี่ยไม่รู้จักคอยเคยดียินคําพูดมาดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วลูกหมดคือดีชั่วรู้หมดคือตรงนี้สมองนี่มันรู้นะกินเหล้าไม่ดีมีกิ๊กไม่ดีใช่หไหมเล่นเฟซบุ๊กไม่ดีนานๆไม่ดีนะแต่อดใจไม่ได้ เข้าใจไม่มีกําลังไม่มีสมาธิไม่มีคันตินะไม่มีวิริยะแล้วจะประสบความสําเร็จประสบความสุขได้อย่างไรเนะน้นทะลักลูกนะต้องส่งเสริมตัวนี้ความมือจับคอยแล้วความมือจับคอยัทําให้เกิดความเพียรเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กไม่พยายามเด็กไม่มีความเพียรเพราะคอยไม่ได้ กูให้ให้ทากันบ้านให้ทํารายงานนะเด็กอยากเสร็จเร็วๆแล้ววิธีเสร็จเร็วทําไงฮะไปปริ้นไป Google ไปบางทีไปขโมยขโม ย, ยเพื่อนมันเลยหน้าตาเฉยเลยแต่ถ้าเด็กไม่อยากคอยนะในทํางให้เขาเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งเสริมความเพียรพยายามเพราะความเพียรเพราะการทํำรายที่ทําด้วยนะ้าพลังแรงเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่ามันให้ผลที่งดงามและการที่ต้องใช้เวลาเนี่ยก็หมายความว่าต้องรูง้จักคอยนะะ เด็เดี่ยวนี้เนี่ยที่จริงก็เป็นทั้งประเทศแลยนะคือหวังรับรอยคอยโชคและนิยมทางรัดเป็นทั้งประเทศเลยนะหวังรับลอยคอยรวยยังไงถึงจะรวยโดยไม่เหนื่อยรวยเร็วๆทำยังไงฮะโกงบ้า ง, ะ ล, งละเล่นหวยบ้างละการพนันบ้างละใช่ไหมไอ้ที่ขยันเนี่ยมันช้าทำด้วยความเพียรเนี่ยมันช้าแต่ถ้าไปเล่นหวยเร็วเล่นการพนันเนี่ยเร็วเชื่อว่าเร็วนะแต่จริงมันไม่เร็วหรอก โปรงเนี่ยเร็วรวยเร็วนั้นเติมตัวนี้เข้าไปนะในชื่อของเขามันจะทำให้เขามี EQ ที่ดีแล้วก็ทำให้เ็ามีความสำเร็จได้ง่ายมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งที่อยากเะมาเล่านะเพิ่งไปเจอเมื่อวานนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เฟซบุ๊กก็คือ ระหวาที่รออยู่ที่สนามบินก็เปิดดูมีคลิปวิดีโอหนึ่งห้านาทีนะโหยาวนะหมดไปแล้คลิห้า อ, อันนี้ใช้ไวไฟ <laughs> สนามบินสนามบินสนามบินโอนเมืนนะปกติตามมาไม่ไม่ไ่ดูวิ ด, วดีโอท้งาะมนันเปลือเนี่ ย, ยที่วเปือ ง, องถ้าไปสนามบินเนี่ยมีไวไฟไฟรีเปิดได้ห้านาทีนะถือว่า ยาวนะเพาเดี๋ยวเนี้คลิปวีดีโอเนี่ยครึ่งนาทีก็พอแนละ้วมาเป็นเรื่องอะไรฮะพรีเซนเตอร์หน้าตาเหมือนเสียตันโออิชิประกาศแจกตัวเครื่องบินแต่ดู ใ, ใกล้ๆฟังดีๆไม่ใช่เสียตันนะหน้าตาคล้ายตัวเครื่องบินก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะไปภูเก็ตไปทำอะไรพาเด็กตาบอดไปสัมผัสทะเลเป็นครั้งแรกตัวเครื่องบินไปภูเก็ตสองใบ พาเด็กตาบอดไปภูเก็แจกมืนบาทเพื่อเอาไปช่วยเหลือเด็กอลสัตว์การที่บ้านภูเก็ตแจกแท็บเล็ตเพื่อไปสอนคนแก่ให้รู้วิธีใช้กับลูกหลานทีนี้ต้องชชดทางทางแท็บเล็ตนะคนที่มีสิทธิ์สมัครเป็นใครคนที่มีความทุกข์ แลก็ได้มาหกคนผู้หญิงสาผู้ชายสามเข้าจะเขาจงใจไหมจะให้ผู้หญิงสามผู้ชายสามคนหนึ่งเนี่ยเป็นดาราแต่พ่อแม่เนี่ยอยากเป็นดารามากทุ่มเทแต่พ่อแม่พ่อแม่อยากจะให้ทําอาชีพอื่นผมเป็นคล้ายกับพวกเราถ้าเป็นครูเนี่ยอยากเป็นครูแต่พ่อแม่บอกไปทำอย่างอื่นเถอะแก่เครียดมากเหมนะืนก้นคนที่สองเนี่ยแม่ตายพึ่งตายแล้วช่วยสู้ชีวิแกเคร่งครวญ แต่ก่อนเนี่ยทั้งวันเนี่ยคือแม่ดูแลแม่ตอนนี้ไม่รู้ทําอะไรแล้วทั้งที่มีงานอาชีพนะได้โปรโมชั่นได้เลื่อนตําแหน่งแม่ก็ไม่รับรู้แล้วคนที่สามสามีตายก่อนตา ย, ยตั้งใจว่าอยากจะมีลูกด้วยกันแต่ก็ผัดผ่อนการมีลูกตอนที่เธอมีลู้ได้สามได้สี่เดือนแล้วแต่สามีตายไปแล้วไม่รู้ว่าเธอกำลังจะมีลูกอีกคนหนึง่งตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิง ก็ถูกกดขี่ถูกรังแกถูกแก้งมันแต่เล็กรู้สึกตัวเองนี่ไม่มีคุณค่าคนที่ห้าทำธุรกิจก็ไม่ค่อยเจริญเป็นหนี้ทำอะไรอะไรก็ลำบากนะขาดสวนได้หมดอายุสามปี ก, กว่าคนที่หกเป็นช่างกล้องนะอยากจะทำอยากจะทาอยากจะถ่ายภาพแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตตามความฝันเพราะเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็ให้คนเหล่านี้อะไป ทำทกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประเด็นเชือประเด็น ค, คือเขาเชื่อว่าความทุกข์เราเนี่ยจะเล็กลงเมื่อเราเห็นความทุกข์ของตัวื่นแล้วเขาก็พอไปทําเสร็จนะเขาก็เขาก็ให้เขาสัมภาษณ์ก็หลายคนรู้สึกดีขึ้นนะพอได้ไปเจอคนที่ลําบากกว่าเราจนที่ทุกข์มากกว่าเราเนี่ยเขารู้สึกความทุกข์ตัวเองเล็กลง หลายคนพูดด้วยความสะเทือนใจอ่ว่าดูแล้วฟังดูแล้วเนีเออมัน ก, มนก็มันก็สะเทือนใจนะทั้งหมดที่ห้านาทีเท่านนะมาเป็นโครงการที่ชื่อว่าทุกชีวิตมีค่าทุกเนี่ยนะมีขอไขกําลังเป็นวงเล็บต่างต่อท้ายเอ้ยความ่าก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคือซึ่งมันมันเป็นวิธีแก้ที่ได้ผลนะในในในหลายคนหลายคนเนี่ยพขาทุกเขาหายทุกเมันก็เจอเขารู้ถึงคนอื่น หรืออย่างน้องโยนนองโยนเนี่ยปวดก็ปวดแต่นะความนึกถึงป้านะความปวดกลายไปเรื่องทนได้กลายไปเรื่องเล็กน้อยไปบางทีเนี่ยถ้าเราเนี่ยสอนให้ลูกของเราหรือตัวเราเองเนี่ยได้เวลามีความทุกเนี่ยให้ลองไปสัมผัสกับความทุกของคนอื่นดูคานทีบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยากจะถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความทุกนะให้ไปหาไปเจอไปสัมผัสคนที่มีความทุกมากคุณและความทุกของคุณจะเล็กลงหรือหายไป อันนี้ก็ฝากไว้นะก็ลองไปดูกันแล้วกันเพราะว่าเพึ่งเพิ่งแพร่กันไม่สักวันสองวันนี้มันเท่าเดียร์จะมารู้เนะขอเป็นคําถามสุดท้ายนะคะเป็นคําถามไหคะต้องทันยกมือต้องทันยกมือทราบ ม, มีไห ม, มะคะอ้อมที่มีน้องจะถามถามแทนเราก็ได้นะคะ เกตุอันนี้เนล้ะคะนะคะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตให้เด็กๆได้ร้องเพลงนะคะแล้วก็อยากให้เด็กทำํำท่ า, ทาแบบเนี้ยนะหนึ่งรอบคิดทุกสิ่งที่พูดขอเริ่มต้นด้วยจัด ก, การอาทาท่าก่อนแล้วค่อยร้องเพลงทุกคนเด็กขอ พ, พ่อแม่หันกลับหลังควรหนกลับหลังนะคะแด่เด็กๆ อ่าสปแตนบางเด็กต้องเด็กอ่าจะร้องเพลงก่อนหรือว่าจะทำท่าก่อนเอ า, เอา เ, อ า, เ, อาเอาเรียกพร้อมพร้อมทำท่าก่อนดีกว่าอ่าเด็กๆทำท่าใครเป็นคนนำได้คะทันได้ไหมอ่าคิดทุกสิ่งที่พูดอ่าพร้อมยืนให้ใหเป้นปแถว